มาขึ้นสูตรที่พระนนฟังและบรรลุบ้างนะในเทรวัตรที่สี่เทรวัตรเนี่ยก็คือเป็นวัตรที่ว่าด้วยพระเทระซะส่วนใหญ่นั่นแหละคือยกเอาพระเทระที่สำคัญสำคัญเป็นผู้ใหญ่ในยุคนั้นมารวบรวมไว้ในข้อหนึ่งร้อยเก้าสิบสามหน้าสองร้อสี่สิบหก อนันทสูตรเนี่ยนะเป็นพระสูตรที่พระอนันท่านเล่าให้ฟังนะเล่าให้พระภิกษุฟังว่าท่านเคยฟังธรรมะจากพระปุณณมันตานีบุตรแล้วท่านฟังแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินธิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถี ณที่นั้นแลท่านท่านนนเถระเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วมากล่าวว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็รับคําท่านพระนนนแล้วท่านท่านนนจึงได้กล่าวว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายท่านพระปุณณมันตานีบุตรมีอุปการะมากแก่พวกเราเหล่าภิกษุใหม่ท่านกล่าวสอนพวกเราด้วยโอวาทอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านอนน เพราะถือมั่นจึงมีตันหามานะทิฐิว่าเป็นเรานนะคือเพราะเข้าไปถือมั่นนะเนะ <zeug pper. S 1> ถือมั่นจึงมีตันหามานะทิฐิว่าเป็นเราก็การถือมั่นโดยปกติทั่วไปก็ไม่พ้นด้วยอำนาจตันหามานะทิฐิอยู่แล้วนานก็บอกว่าเป็นเรา <uki> เพราะไม่ถือมั่นจึงไม่มีตันหามานะทิฐิว่าเป็นเรานนะก็อยู่ที่ว่า ถ้าถือมั่นก็ก็เป็นเราอะ่ะถ้าไม่ถือมั่นก็ไม่เป็นเราไอ้ตัวถือจริงๆอะคือตัณหามานะทิฏฐิถ้าถือก็เราเป็นถ้าไม่ถือก็เราไม่เป็นอุปาทายะเนี่นนาายะนะจนพยึดถืออะอาศัยปรารบมุ่งไม้แอบอิงเนี่นนยนะหน้าสองร้ยสี่บกนะ อุปาทายะเพราะไม่ถือมั่นอะไรจึงไม่มีตัณหามาณนะทิฐิว่าเป็นเรานะนะเพูดถึงผู้ที่ถือมั่นก่อนนะก็ไป เพราะถือมั่นอะไรจึงมีตันหามานะทิถิว่าเป็นเราเพราะไม่ถือมั่นอะไรจึงไม่มีตันหามานะทิถิว่าเป็นเรานะคือไอการเป็นเราหรือไม่เป็นเรานี่มันอยู่ที่การถือมั่นที่ถามว่าถือมั่นอะไรถ้าไม่ถือมั่นไม่ถือมั่นอะไรก็ตอบว่าเพราะถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงมีตัหามานะทิถิว่าเป็นเราไอตัวที่เป็นเราจริงๆโดยมากก็ยึดถือใน ขันท่านะไม่ยึดรูปก็ยึดเวทนาไม่ยึดสัญญาก็ยึดสังขารไม่ยึดสังขารก็ยึดวิญญาณนั่นแหละว่าเป็นเราเพราะไม่ถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาจึงไม่มีตัณหามานะทิฏฐิว่าเป็นเราถ้าไม่ยึดก็ไม่เป็นเราใช่ไหมเอาถ้าไม่ยึดไม่ไม่เป็นเราแล้วมันเป็นอะไรมันก็เป็นขันท่าอยู่ดีนะคือยึดไม่ยึดมันก็เป็นขันท่าวันยังค่ำนั่นแหละ แต่ทีนี้ว่าไอเราเนี่ยมันเข้าไปยึดเองเนี่ยนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับขับรถไปแล้วมันเห็นพยับแดดอยู่ข้างหน้านึกว่าเป็นน้ำนะมันก็พยับแดดวันยังค่ำาหละไปยึดว่ามันเป็นน้ำมันก็ไม่เป็นน้ำอย่างที่เรายึดนะมันก็เป็นพยับแดดอยู่อย่างนั้นนั่นแหละนะดูก่อนท่านอนุนเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษรุ่นหนุ่มรุ่นสาวมีนิสัยชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนที่กระจก หรือที่ภาชนะน้ำอันไสบริสุทธิพุท่งเพราะยึดถือเนี่ยนะคือจึงเห็นเพราะไม่ยึดถือจึงไม่เห็นไอตัวเงาหน้าเนี่ยนะถ้าไม่มีกระจกไม่มีการเข้าไปส่องนยจะจะมีเงาหน้าในนั้นไหมไม่มีอย่างนี้ฉันใดดูก่อนท่านอนอน์เพราะถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ จึงมีตันหามานะทิฐิว่าเราเป็นเพราะไม่ถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงไม่มีตันหามานะทิฐิว่าเป็นเรานะสรุปก็อยู่ที่ยึดหรือไม่ยึดนั่นเองถ้ายึดก็เป็นเราอะถ้าไม่ยึดก็ไม่เป็นเราตันหามานะที่ิเนี่ยยึดเข้าไปยึดยึดว่าโดยทั่วไปนั้นก็ยึดว่างามบ้างยึดว่าสุขบ้างยึดว่าเที่ยงบ้างยึดว่าเป็นอัตตาบ้าง เพราะนั้นไอการเข้าไปยึดในอุปาทานขันห้านี่แหละเป็นเหตุใหให้เกิดที่ถืว่าเป็นเราขึ้นดูก่อนท่านอ น, นุนท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชไหนะรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะเนีก็เข้าปริวัตรสาเหมือนเดิมนะนะปริวัตรสานี่คืออะไรคือรอบปริวัตรนี่แปลว่าโดยทั่วไปแปลว่ารอบนะนะเวียนรอบสามรอบรอบแรกคือถามถึงความไม่เที่ยงของขันห้ารอบที่สอง กล่าวถึงขันห้าโดยสิบเอ็ดกองทั้งที่เป็นอดีตอนาคตเป็นต้นรอบที่สามก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพอจบสูตรที่พระอนุนก็เล่าให้ฟังต่อไปว่าดูก่อนอาวุโสท่านพระปุณณมันตานีบุตรเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกเราเหล่าภิกษุใหม่ท่านสอนพวกเราด้วยโอวาทนี้ ก็เราได้ตรัสรู้ธรรมะเพราะฟังธรรมเทศนานี้ของพระปุณณมันตานีบุตรเห็นะเห็นอริยสัจบรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะฟังพระปุณณเนี่ยแสดงเนี่ยนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนับว่าเป็นพรรษาที่สองที่พระพุทธเจ้าหลังจากพุทธเจ้าตรัสรู้นะพรรษาแรกเนี่ยพระองค์จำพรรษาที่ป่าอิสิปตนะมฤุกขายาวันที่พรรษาที่สองพระองค์ก็ประทับจำพรรษาที่เมือง ราชครื่เนี่ยนะแล้วก็เป็นรรษาที่พระอนุนเนี่ยท่านบวชเข้ามาด้วยท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันในภรษานั้นโดยพระปุณณมันตานีบุตรแสดงให้ฟังแต่นี้เป็นสู่ที่พระอนุนเก็บมาเล่าให้ลูกศิษย์ท่านฟังในตอนหลังเห็นไหมทีนี้เขามีคําถามในอัตถกาถามว่าก็เงาหน้านั้นอส เงาที่อยู่ในหน้านะอาศัยกระจกเงาที่ใสสะอาดจึงปรากฏถามว่าก็เมื่อบุคคลมองดูกระจกเงาใสาสะอาดนั้นเงาหน้าของตนปรากฏหรือเงาหน้าของคนอื่นปรากฏเล่าหน้าใครอยู่ในกระจกเคยตั้งคาถามไหมเวลาส่องกระจกอะนะอันนี้อัศกถาท่านถามะนะท่านแสดงว่าท่านเอามาคิดะนะเนี่หน้าใครกันแน่อยู่ในกระจกคว่า ง, งั้นอาจารย์ทั้งหลายก็กล่าวว่า ถ้าเงาหน้าพึงเป็นของตนไซฉะนันจะต้องไปปรากฏเป็นหน้าอื่นเอาท่าน้าของตัวเองทําไมมันไปอยู่ใล น, นั่นอ่ะเอาถ้ามันเป็นเงาหน้าของผู้อื่นอีกไซก็ต้องปรากฏไม่เหมือนกันโดยสีเป็นต้นเอาถ้ามันของคนอื่นมันจะต้องคนละสีกันสิแต่นี่มันมันสีเดียวกันอ่ะจะว่าของตนเฮ้ทํานไปอยู่ข้างนอกได้าจะว่าของคนอื่นทําไมมันเหมือนอ่ะ เพราะฉะนั้นเงาหน้านั้นทั้งไม่เป็นของตนทั้งไม่เป็นของผู้อื่นแต่ว่ารูปที่เห็นในกระจกนั้นอาศัยกระจกจึงปรากฏะนะอาศัยการมีตัวหน้ามีกระจกมีการส่องนะนะเงาหน้าในกระจกจึงเกิดขึ้นในเงาหน้าในกระจกนั้นทั้งไม่ใช่ใครแล้วก็ไม่ใช่ของใครเนี่ยนะแต่ว่าอาศัยตัจัยเนี่ยประชุมไอเงาหน้าในกระจกอันนั้นจึงเกิดขึ้น <c oughs> ถามว่าถ้าจะมีเงาหน้าใดปรากฏในน้ํำสมัยก่อนเขาไม่ค่อยมีกระจกใสแบบเราเขาใช้น้ํามาส่องเงาหน้านั้นปรากฏได้เพราะเหตุไรตอบว่าปรากฏได้เพราะมหาภูต ร, รูปเป็นของใสสะอาดเพราะว่ากระจกนะถ้ากระจกมัวนี่มันจะส่องเห็นภาพไหมส่องในเสาไงนะมันไม่ใสแบบนี้มันก็ส่องไม่เห็นหน้าแต่ถ้ามหาภูต ร, รูปใสเลยเนยีอย่างกระจกเนี่ยเป็นมหาภูต ร, รูปที่ใสก็สามารถส่องให้เห็นหน้าได้ อะไรก็ตามแม้กระทั่งในน้าก็ได้น้ำถ้าใสาๆก็สามารถส่องเห็นเง า, นาหน้าได้ก็มหาภูตรูปนี้หลอกหน้าดูเลยนะหลอกให้ดูเหมือนเราเลยนะในกระจกใครเคยส่องกระจกแล้วคิดเรื่องนี้บ้างนะก็ไม่เป็นไรก็ได้ฟังแล้วจะได้เอาไปคิดว่าเออเงาหน้าในกระจกทั้งไม่ใช่ของไม่ใช่เราด้วยไม่ใช่ของเร า, เาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่อาศัย ตัวหน้าอาศัยตัวกระจกะนะจิงปรากฏเงาหน้าขึ้นฉะนั้นนั่นแหละ้ละ ต, ตัวน ย, ย, ยนใหญ่นีอก็เห็นนี่แล้วอารยสะผู้สับแล้วมอย่างนี้ก็เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าท่านบอกว่าปริวัติสามคือตอนแรกกรตั้งคำถามว่าขันห้าเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยง สิ่งได้ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งได้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตราของเราไม่ควรนะนะอันนี้รอบหนึ่งรอบที่สองเพราะเหตุนั้นแหละนะรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยาบละเอียดเลวประณนี๊ใกล้ไกลเธอพึ่งเห็นนะทั้งหมดนั้นเป็นรูปเธอพึ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่า นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเรานนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันส่วนรอบสุดท้ายก็คืออริยาสาวกผู้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแมในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม่นเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม่นสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดนะก็ถ้าจะดูว่าคําย่อนั้นคืออะไรก็ดูหน้า187หน้า188เนี่ยนะก็กลุ่มนั้นแหละ เนี่ยนะท่านฟังเรื่องอื่นมาเยอะแล้วเนี่ยนะท่านตอนนี้คือท่านฟังทั้งคัมภีพุทธวงศ์ฟังทั้งจริยาปีดกแล้วก็บวชมาตั้งนานเนี่ยนะตามเสด็จฟังทำเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะแต่ถ้าท่านนับกับทั่วๆไปแล้วท่านก็บรรลุช้ากว่าเพื่อนหน่เนี่ยนะแต่ว่าปกติท่านท่านท่านเก่งมากนะ พระนร น, นี้ฟังธรรมะนะคนที่จะสอนทันปัญญาของพระอนรมีพระพุทธเจ้าอยู่องค์เดียวเนี่ยนะพราะท่านฟังหนึ่งบทนะท่านขยายได้หกหมื่นบทเห็นไหมฟังหนึ่งบทเนี่ยขยายได้หกห 0,000 ื่นบทเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันชั่วที่ยืนเรียนเนี่ยปั๊บทีคณิกามะชิมนิกาเนี่ยท่านเรียนแทบเดียวจบหมดอะความสามารถขนาดนั้นแต่ว่าทําไมจึงบรรลุช้าเนี่ยนะก็อินทรีนะเพราะว่าอินรีย์ที่จะทําให้ตรัสรู้ทำไม่ใช่อินรีเดียว ต้องอินทรีย์ห้าใช่ไหมศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญาทีนี้อินทรีย์ทั้งห้าไม่ใช่กระจัดกระจายนะต้องสมดุลกันด้วยเนี่ยนะต้องสามัคคีกันด้วยการตรัสรู้อริยสัจจึงจะเกิดขึ้นแค่สตินทรีย์อย่างเดียวก็ไม่พออยู่แล้วเนะีนะ่ยนปัญญิทรีย์ก็ไม่ได้ปัญญทรีย์นี้ก็เหมือนกับคมมีดอ่ะนะนะเอาแต่ตัวคมไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยนะ มีดโกนเนี่ยเอาแต่คมมีดโกนมานะใครโกนศีรษะได้นี่ก็ถือว่าเก่งมากแล้วถ้าไม่มีด้ามไม่มีอย่างอื่นเข้ามาองค์ประกอบเลยเนะเอาแต่ตัวคมคมมาเลยก็ไม่ได้นะองค์ประกอบคือสัทธาวิริยะสติสมาธิเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นท่านนิวบอกว่าโพ่อชงเนี่ยนะเรียกว่าองค์แห่งการตรัสรู้ว่ามีอยู่7ประการหรือมัชนี่จะไม่ใช้คําว่ามัชเฉยๆจะใช้คําว่าอัดถังคิโกมัชโคลเนี่ยนะหรืออริยถังคิโกมัชโคเนี่ย อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดนั่นนะก็จะพูดถึงองวังันเถอะคือมีองค์ประกอบนะการตรัสรู้จริงจะเกิดขึ้นไม่ใช่ปัญญาอย่างเดียวปัญญานี่มันข้อหนึ่งเท่านั้นเองคือตัวโดยโดยปัญญานะถ้าเราจะมาแยกนั่นแหละคื อ, คอ เราน่าจะสนใจทำไมพระอ น, นุนึงจึงบรรลุฟังเท่านี้บรรลุแล้วเราฟังแล้วก็ไม่บรรลุแสดงว่าหาเหตุหาเหตุห เ, หตเอางี้ดีกว่าว่าเราเข้าใจหรือเปล่าว่าที่เขาฟังนี่เขาฟังอะไรกันคือนอกจากจะปัญญาไม่ถึงแล้วแล้วยังศรัทธากยังไม่ถึงหรก็ยังไม่ถึง วันนี้ดูข้อความในสังคีติสูตรมาชอบคําว่าทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยนล้วคำว่าทิฏฐิวิสุทธิตรงนี้ท่านขยายว่ามีอยู่สี่ประการด้วยกันะนะนหนึ่งกรรมสกตาสัมมาทิฏฐินี่นะหรือกรรมสกตากรรมสกตายาน อ, ส, อสัจจานุโลมมิจยาน 3. มมัคคสมังคียานก็ก็ผลสมังคียานก็ต้องสมงคีก็คือสา ม, มัคคีนั่นแหละนะ สราเป็นสประีประการนะหนึ่งกรรมสกตาสองสัจจานุโลมสามมรรคสี่ผลเนี่ยนะคำว่ากรรมสกตาก็คือรู้ผลของสุจริตและทุจริตรู้ว่ายังไงรู้ว่าผลของสุจริตเนี่ยเป็นของตนสุจริตรสามเนี่ยนะเป็นของตน ถ้าทุจริตเนี่ยจับชื่อว่าเป็นของตนไหมทุจริตสามเนี่ยไม่ใช่ของตนออใครที่ฟังแบบนี้นี่ก็อาจจะแปลกใจนะเพราะไรเพราะว่ามันหักลานประโยชน์่ะ น, นะเมื่อมันหักลานประโยชน์เราเนี่ยจะชื่อว่าของเราได้ไหม เพราะอะไรพระทุจริตสามเนี่ยนะมันทําลายประโยชน์ทั้งโลกนี้ทําลายประโยชน์โลกน่าทำลายประโยชน์อย่างยิ่งไม่ให้บรรลุมรรคผลนิพผ่านอย่างนี้จะเชื่อว่าเป็นของตนไหมไม่เชื่อเพราะฉะนั้นคําว่ากรร ม, มสกตาในที่นี้นะีหมายถึงว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อต่อตอนเองอะไรไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อตอนเองความรู้ น, นี้เรียกว่ากรร ม, มสกตาญาตอันไหน ก็เราเคยจะได้ยินว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลอในนั้นก็ถูกนีนะนะไม่ได้ผิดอะไรแต่ในเนี้ยแสดงว่าก็มาแยกแยะว่าอะไรเนี้ยเกื้อกูลต่อตัวเองจริงๆและอะไรไม่เกื้อกูลต่อตัวเองเ น, าานี่ยนะก็ได้ท่านอธิบายว่า ความรู้อย่างนี้ว่าทุจริตสามอย่างที่ตนเองทําทั้งที่ผู้อื่นทําไม่ชื่อว่าเป็นกรรมของตนนะทุจริญสามนะใครทําก็ช่งางเถอะไม่ชื่อว่าเป็นของตนเพราะหักการประโยชน์ตนทําลายประโยชน์ตัวเองหมดเลยใช่ไหมส่วนสุจริตสามอย่างชื่อว่าเป็นกรรมของตนเพราะให้เกิดประโยชน์ดังนี้จึงชื่อว่ากรรมมักตายาน ผู้ที่ตั้งอยู่ในกรร ม, มัสกตายานขวนขวายทากรรมในวัตตะเป็นอันมากและบรรลุผ้ารหัสโดยสะดวกสบายที่เหลือพ้นจากขนานับเนี่ยนะผู้ที่รู้แบบนี้นยะรู้ในลักษณะนี้รู้ว่าสุจริตนี้เป็นให้ให้ประโยชน์แก่ตัวเองทุจริตไม่ให้ประโยชน์แก่ตัวเองพอแยกแยะอย่างนี้แล้วจะทำยังไง<ม>ก็จะไตละทุจริตจเจริญสุจริตเนี่ยนะสามารถตรัสรูม้มรรคผลนิพพานเนี่ยอย่างนี้ม่ใช่น้อยเนี่ยนะ แสดงว่า เ, เรายังทำเรายังทําทุจริตอยู่ตราบใดหรือว่ายังยังมีบ้างนี่แสดงว่ากรรมสกตาของเรายัางไม่ดีไม่ดียังไม่ดีถ้าดีจริงหรือว่าเออว่าเธอมีกรรมสกตายาแน่จริงแสดงว่าถ้าเห็นอย่างนั้นจริงแสดงว่าทุจริตต้องไม่มีแล้วก็ถ้ากล่าวตามตัวทั่วไปเนี่ยนะทุจริตมาจากไม่สังวรอินทรีย์ไม่สังวรอินทรีย์มาจาก อกุศลวิตกถ้าถ้าสุจริตก็มาจากกุศลวิตตกใช่ไหมถ้าทุจริตก็มาจากอากุศลวิตกกวตกเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่อากุศลวิตกเกิดขึ้นนี่รู้แล้วว่ามนโนทุจริตนั่นนะมนโนทุจริตนี่เกิดขึ้นนั่นนะนำมาซึ่งความเสียหายแน่นะคุณมินชูนะนั่นก็ทเวทาวิตักกสูตรนี่มาไายได้เลยตั้งแต่อากุศลวิตกที่มันเกิดขึ้นนําเสียหายแบบนั้นแหละ แสดงว่าคนมีกรรมสกตาญานจริงแสดงว่าต้องมีโอตปะอย่างไรอะนะคู่ที่มีกรรมสกตาเนี่ยจะต้องมอีถ้าไม่เจริญกุศลนี้จะละอายใจตัวเองถ้าไม่เจริญนะี่ยเราก็รู้ทําไมไม่เจริญอย่างเงี้ยนะแล้วก็รู้ด้วยว่าผลต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นโอตปะก็จะมีกําลังแต่ว่าด้วยอํานาจของปัญญานะี ส่วนสัจจานุโลมมิกยานคือวิปัสนาญาณเนี่ยนะวิปัสนาญาณชื่อว่าสัจจานุโลมิกยาญเนี่ยนะส่วนมรรคผลก็ในขณะอริยมรรคอริยผลที่ประกอบด้วยองค์8เนี่ยนะอริยมรรคขปัญญานะ ทีนี้ทรงจําตัวปัญญาไว้ก่อนนะคำอธิบายจะลบแล้วแต่ที่อื่นจะเพิ่มอีกศัพบหนึ่งคือชาณาปัญญาจริงๆแล้วชาณาปัญญาเนี่ยทำไมในนี้ไม่แยกมาพิเศษก็บอกก็อยู่ในกลุ่กมกรรมสกตาอยู่แล้วเนี่ย น, นะชาณาปัญญาเพราะอะไรเพราะว่ า, ารู้ว่าสุจริตเป็นผลของตอนน่ะ น, นะถ้าไปเจริญมโนสุจริจะไปทําอะไรก็ไปเจริญฌานนั่นแหละ แสดงว่าแสดงว่าสุจริสามเนี่ยได้ได้ได้ได้ควบระหว่างสีลพิสุทธิและจิตตวิสุทธิไว้ด้วยกันเออจริญพรถ้าถ้ายกอย่างนี้เนี่ถ้ายกแบบนี้เนี่ยตรงเนี้คือสมถะอันนี้คือวิปัสสนาถ้ายกแบบนี้ขึ้นมาแสดงให้รู้ว่านี่คือสมถะวิปัสสนาเพราะอะไรเพราะว่าสมถะไม่ใช่ไม่มีปัญญาประกอบนะใช่ไหม ผู้ที่รักษาศีลมีปัญญาประกอบไหมมีมอาแล้วทำไมไม่ยกปัญญาในนั้นขึ้นมาว่าเรียกว่าวิปัสนาก็เพราะว่าเอาอารมณ์เป็นตัวจำแนกทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าสิ่งใดก็ตามนะจะเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสนาเนี่ยอยู่ที่การเข้าไปมนสิการอารมณ์นั้น